พระธรรมเทศนาแผ่นที่56ลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่3ตุลาคม2556ในโอกาสอบรมคณะทหารพัฒนามีชื่อเรื่องว่าทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด กลรปกลางของพวกเราเนี่ยทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติาทำคุณให้กับประเทศชาติน้ำที่ไหนบ่อน้ำที่ไหนสระน้ำที่ไหนมีแต่ทำคุณอย่างตรงพ่อเหมือนกันอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแต่ที่แรกสระน้ำในนี้ป้าย ก, รกลรปยังมีอยู่นะยังติดไว้อยู่ที่แต่ทสาสระน้า บ่อน้ำไว้ให้พวกสัตว์สารายสิ่งแต่ก็น่าเสียดายมีบ่อหนึ่งที่มันแห้งหลวงพ่อปีนี้ก็คงจะแห้งอีกเพราะฝนไม่ดีเลยปีนี้แต่นกเป็ดมันมาจากไหนก็ไม่รู้หน้าหนาวเนี่ยมันบินมาจนขอบสะนี่ยรปะว่าดำไปหมดเลยเออเป็นพันอะ เวลาตกพอเย็นๆขึ้นมาก็ บ, บินขึ้นเป็นฝูงเป็นฝูงแต่ที่แรกมันก็บินต่ําก่อน่ะพราะบินต่ําปืนลูกสองเขาก็ยิงจากนั้นพอมันบินขึ้นมา บ, บนอยู่ในวัดก่อนสูงขึ้นสูงมันจะค่อยออกไปมันก็ฉลาดเข้ามันเหมือนกันนะ่ะนกเป็ดเออเห็นแล้วโอน้นาสงสารพอตีสี่ที่ห้ามาล่ะจิบจบจิ๊บจ๊าบจิ๊จ๊า บ, บ, บ, บลงมาลงลงลงลงลงเลเออ มันมาพักช่วงหน้าหนาวเขาว่ามันมาจากช้ยบีดลุงบีเรียรเขาว่าแต่ลงพ่อก็ไม่รู้แล้วชายบีเรียรอยู่ที่ไหนแต่ว่ามันหนาวจากที่นูน่นมันก็เลยมาหลบอยู่ที่เมืองไทยแต่ก็มาเห็นอยู่ที่โอ้โหเยอะจริงๆในวัดของเราแต่ลงพ่อก็บอกนะพระอย่าไปใกล้นะถ้าไปก็ไปกลางกลางคืนจะไปหวานเข้าเปลือกนะทิ้งทแถบแถบขอบสาต์ถ้าจะให้มันกินนะหวานขอบเข้าเปลือกให้มันกินแต่ กลางวันเน่ยอย่าเข้าไปใกล้มันนะเดี๋ยวให้มันพลาสุกถ้าเราไปใกล้มันบินขึ้นท้องฟ้าแล้วก็มันไม่ดีเป็นอันตรายกับมันด้วยอันนี้แหละคือสรุปแล้วก็คืออยูน่นิสะกลรอป ก, กลางเหมือนกันแต่มีสาหนึ่งอ่ะมีสองสามสาหนึ่ก็ยังยังดีอยู่ยังมีน้ําอยู่แต่ลงตาท่านก็บอกนะเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่จะขุดสาไหนบอกนะอะเดี๋ยวใครเข้าว่า เรื่องเงินไม่มีปัญหาท่านจะให้ลักษณะอย่างนั้นน่ะเออที่ลงตาเนะี่ยท่านประวาริน า, นาท่านจะให้เรื่องเงินจะขุดสะไหนที่จะเป็นประโยชน์เออแต่เราคิดว่าโอ้พอละขนาดเนี่อคิดว่าไม่น่าจะแห้งพอลงตาจากไปน้ําแห้งก็ยังคิดถึงหลงตาอย่างนั้นน่ะโอ้ถ้านลงตายังอยู่คงคจะคงจะขุดขุดสะให้เออน้ำไม่ให้มันแห้งเลยให้ได้แต่เนี่ยโอ้ น้ำแห้งแหละปีนีออ้ขอฝากไว้กับท่านโยมออผู้การพออพลตรีเกียงศักดิ์หมีทองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคสองแล้วก็ท่านรองทั้งสองท่านพันเอกท่านนัทรัฐพลอยภัยสารและกับพันเอกมนต์ตวีวรรณบูรณรอง ผู้อานวยการทั้งสองท่านที่มาพบมาวัดของหลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อเห็นแล้วก็อบอุ่นใจแต่ถึงยังไงถึงยังไงพวกเราก็ขอให้ทํางานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองทหารเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็พัฒนาประเทศจากสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองเราก็ทําำในเมื่อ บ้านเมืองคับขันเราก็ออกแนวหน้าปกป้องประเทศชาติอันนี้คือทหารคือรั้วของชาติแต่สําหรับพระาศาสนาอย่างหลวงพ่อเ น, นี่ยก็เป็นที่อยู่วงในอบรมแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมให้รู้จักศีลธรรมจริยธรรมที่ดีให้มีศีลมีธรรมอันนี้คือหน้าที่ของหลวงพ่อสรุปแล้วก็คือหลัก ทำคาสอนของพระพุทธเจ้าเยมันเหมือนกับพวกเราอยู่ในทิศหกทิศหพระพุทธเจ้าวพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยคือทิศหาทิศหเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเดจประทับอยู่ที่กรุง ร, ราชสักวันนั้นพระองค์นั่งสมาธิจวนสว่างใกล้รุ่งพระองค์นั่งสมาธิจากนั้นพระองค์ เร่งยานนะว่าเล่งญานดูสัตวโลกคือเร่งยานกับเหมือนกับท่านสายเลดาเน่ยสายเลดาไปทั่วโลกว่าวิญญาณไหนที่จะได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลหรือว่าจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแต่ว่าชีวิตสั้นจะตายก่อนควรจะไปโปรดก่อนพราะพระองค์จะมองมองดูสัตวโลกทั้งหลายแต่ในท่านก็อนมองเห็นสิงค์าละมนุษย อยในกรุงราชจะคือสิงหาลมานพนเป็นเด็กหนุ่มแต่นิสัยดีมีมารยาทดีมีคุณธรรม เ, เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีในจิตใจจิตใจของสิงหาลมานพนั้นแปลว่าล้นหลามด้วยคุณงามความดีแต่ท่านก็เป็นลูกเศรษฐีพ่อก็ไปส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองตะกะศิล า, เ, าเมืองตะกะศิลาทุกวันนี้เขาบอกว่าเมืองทะลีบันนะ เออทลีบันเน่ยเมืองตะกะศิลาเก่าที่พวกเราอ่านในพระไตรปิฎกนะเมืองตะกะศิลาตะกะศิลานี่เออแปลว่าพวกอาจารย์ท่านหลายทิศปาโมอกอาจารย์ทั้งหลายจะเกิดในเมืองตะกะศิลาเป็นส่วนมากเป็นเมืองวิ ช, ชาของยุคสมัยนั้นแต่นี้พ่อก็เลยส่งลูกชายเนี่ ย, ยสิงค์คารามานพไปเรียนที่เมืองตะกะศิลาพ่อไปเรียน พอจบวิชาแล้วลูกก็รีบกลับมากลับมาถึงบ้านพ่อก็ป่วยป่วยหนักพ่อป่วยหนักที่เป็นเศรษฐีป่วยหนักพอเห็นหน้าลูกเท่านั้นคนะวักมือเข้ามาลูกๆเข้ามาใกลก้ลูกเข้ามาแล้วพ่อเลยกำกำมือของลูกอบอกลูกเอ้ยพ่อเนี่ยเขคงจะอายุไม่ยืนยาวต่อไปแล้วอาการของพ่อนี่หนักมาก แต่ถึงยังไรพ่อขอสั่งเสียลูกนะลูกนะถ้าลูกอยากจะเจริญยิ่งทั้งทางโลกทั้งการบริหารจัดการเรื่องทรัพสมบัติให้ดูแลบริวารดูแลทรัพสมบัติที่พ่อหามาไว้เนี่ยให้ดูแลรักษาเน้อแต่ก่อนที่จะเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพสมบัติเหล่านี้ให้อยู่นะต้องเคารพคารวะทิศ ท, ทั้ง6นะลูกนะ ให้อ่อนน้อมถ่อมตนเคารพคารวะทิศทั้งหกนะลูกนะแต่พูดไม่นานจากนั้นพ่อก็เลยตายใจขาดตายพอตายแล้วสิงคาลมานพนี่ก็จัดการงานศพของพ่อสมเกียรติพอเราเป็นเศรษฐีพอจัดงานศพพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วสิงคาลมานพเนี่ก็คำว่าให้อ่อนน้อม ทอมตนเคารพคาระวะกราบไหว้ทิศทั้งหนะจึงจะเจริญในการบริหารจัดการในการเป็นอยู่ทุกอย่างจะรุ่งโรจน์ถ้าหาว่าเคารพคาระวะทิศทั้ง6อันนี้คือคำนี้นะกล้องอยู่ในจิตใจของสิงขารลมานาุพอจัดการเสร็จแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นม า, ายังไม่สว่างดีสิงขารลมานก็ออกไปแล้วออกไปชายทุ่ง ออกไปสวนออกไปชายทุ่งที่โล่งๆว่างๆจากคนจากนั้นเขาก็ยกมือไหว้ทิศตะวันออกยกมือไหว้ทิศตะวันตกยกมือไหว้ทิศเหนือยกมือไหว้ทิศใต้ยกมือไหว้ขึ้นบนอากาศยกมือไหว้ลงแผ่นดินครบหกพอดีเพราะทิศหกเนีทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตกแล้วก็ทิศเปองบนทิศเบปองล่างทิศหกเขาทําอย่างนั้นไม่เคยขาด แม้แต่วันเดียวถึงจะฝนตกแดดออกออร้อนหนาวยังไงหิมะตกขนาดไหนสิงคานละมานพกว่าไม่เคยย่อท้อเพราะว่าพ่อสั่งให้กราบไหว้อ่อนน้อมเคารพคารวะทิศทั้งหกนะจึงจะเจริญในการบริหารจัดการบริหารการงานาจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นถ้าหากอ่อนน้อมถ่อมจนเคารพคารวะทิศทั้งหก แต่ได้พระสิงขารมาโนภพกปฏิบัติตามที่พ่อสั่งทุกประการแต่ในพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่กรุงราชสฤดคที่วัดปาเวลวนันพระองค์นั่งสมาธเิเล่งยานดูสัตวโลกคือเล็งเล็งเลด้าจากพระไทยของพระพุทธเจ้าไปไปเห็นสิงขาลมาโนแต่เป็นเด็กดีมีมารยาทดีมีความซื่อตรงแต่ว่าที่ ได้รับคําสั่งจากพ่อนั้นอ่ะพ่อไม่ได้อธิบายว่าทิศทั้งหนั่นคืออะไรแต่สิงคารามโนประวัติทั้งหก็คือทิศเหนือทิศใต้ธรรมดาเหมือนกับคนทั่วทัวไปคิดเขาก็เลยปฏิบัติตามแต่ปฏิบัติอย่างนี้มันไม่ถูกพระพุพทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วไม่ถูกแต่วันนั้นท่านก็เลยตอนเช้ามากันพระพุทธองค์กับพระอานนท์ท่านก่ อ, อนพระอานนท์เขาไปบินธบาตตามหลังพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์เดินก่อนพระอนุนตามหลังไปก็ไปเดินไป เ, เดินไปไกลๆตรงที่สิงขาลมาโนกกาลังกราบไหว้ทิศทั้งหยกมือไหว้ทิศทั้งหกนอบน้อมต่อทิศทั้งหอยู่พระพุทธองค์ก็ถามว่าสิงขารมานกเธอทําอะไรสิงขารมานพ ก, ก็กราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าข้าพระองค์กราบไหว้ทิศทั้งหกพระเจ้าขา่า เธอได้รับคําแนะนํามาจากใครมาจากบิดาของข้าพเจ้าครับผมบิดาสอนว่ายังไงบิดาบอกว่าถ้าหากว่าลูกจ ะ, จะเจริญโดยโภคะการบริหารจัดการจะเจริญรุ่งเรืองให้นอบน้อมกราบไหว้คารวะทิศ ต, ตั้งหกนะลูกนะข้าพระองค์ปฏิบัติตามที่บิดาสั่งครับผม เธอได้ถามบิดาไม่ทิดทั้งหกนั่นคืออะไรไม่ได้ถามกับผมเพราะว่าบิดาป่วยหนักจากนั้นท่านก็ได้มรณะลงไปสิงคาลามานพกราบทูนพระพุทธเจา้าพระองค์บอกว่าสิงคาลามานพการกราบไหว้คารวะน่อบน้อมทิดทั้งหอย่างที่เธอทำนี่ไม่น่าจะถูกนะตามบัณฑิตนักปราชญ์ที่ท่าน เ, เคยพูดอธิบายมาในอดีต ที่เธอทําเนี่ยม่น่าจะถูกเธออยากจะฟังไหมโบราณและบัณฑิตเขาว่าทิศทั้งหนั่นคืออะไรอยากจะฟังพระเจ้าค่ะเออถ้าอยากจะฟังตั้งใจฟังจากนั้นพระองค์ก็ได้พูดทิศทั้งหให้สิงค์ารมานพฟังบอกว่าสิงค์าลมานพบัณฑิตนักปราชญ์เขาสอนกันมาเขาบอกว่าทิศเบื้องหน้ามารดาปิดา ทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาบุตรธิดาควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจ ธ, ธรุระของท่านดำรงวงศกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์หมอระดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญรอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้คือทิศเบื้องหน้าบุตรธิดาทั้งหลายควรจะปฏิบัติทศเบื้องหลังสามีภรรยา สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันจะได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอย่าไปล่วงเกินอย่าไปนอกลูก่นอกทางให้อยู่ในศีลและธรรมให้เคารพในสามีภรรยาให้เกียรติซึ่งกันและกันสามีภรรยาคู่นั้นก็จะมีแต่ความพร่อมเย็นเป็นสุขจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัว ถาว่าภรรยาออกนอกลูก่นอกทางสามีออกนอกลูกนอกทางสามีหรือภรรยาหรือครอบครัวนั้นจะหาความสงบสุขไม่ได้นี่แหละคือทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์คือตั้งแต่เราเป็นเด็กถ้าจะว่าสุดๆก็คือบุพกาจารย์คนแรกก็คือพ่อแม่ของเราอันนั้นแหละคือบุพกาจารย์ เป็นอาจารย์คนแรกของบุตรธิดาในเมื่อพ่อแม่สอนจุดความสามารถของท่านแล้วท่านก็มามอบให้กับครูบาอาจารย์สอนระดับกอไก่ต่อมากอประถมมัธยมปริยตรีโทเอกอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์ในเมื่อเราไปศึกษากับครูบาอาจารย์เห็นครูบาอาจารย์เข้ามาในวงการและเข้ามาในที่ของเราหรือเข้ามาในกลุ่มของเรา ลุกขึ้นยืนรับเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถากด้วยเรียนศิลปะวิทยากับท่านอีกอด้วยความเคารพอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์เราต้องให้เกียรติต้องให้เขาให้ความเคารพท่านอันนี้คือทิศเบื้องขวาคืออาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายพวกเราอยู่ด้วยกันต้องมีหมูมีเพื่อนมีมิตรมีสหายจะเจริญรุ่งเรืองได้ก็ต้องอาศัยมิตรสหาย เพราะฉะนั้นเรามีมิตรสหายต้องมีความซื่อสัตย์สุดจริตต่อมิตรสหายอย่าไปคดอย่าไปโกงอย่าไปหักหลังเขาให้มีความซื่อสัตย์สหายเป็นยังไงมิตรเป็นยังไงเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นยังไงมิตรสหายเป็นอย่างนั้นมิตรสหายกับเราเหมือนกับคนคนเดียวกันถ้าว่าเราได้มิตรสหายที่ที่ดีกันระยะมิตรที่ดีมีแต่ความเจริญถ้าได้ปาปะมิตรคือมิตรที่ไม่ดี อันนั้นไม่ดีให้เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีถ้าผู้ใดมีมิตรที่ดีแล้วจะทำมาค้าขายจะทำงัดราชการระดับไหนก็ตามมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะเราได้มิตรสหายเป็นที่ปรึกษาเป็นที่อยู่ด้วยกันปรึกษาปารบกันและก็ไปด้วยกันมีอะไรเกิดขึ้นก็นะ่ะช่วยเหลือเจือจานกันมิตรสาย อันนี้ก็คือเบื้องทิศเบื้องซ้ายมิจฉาอย่างทิศเบื้องต่ําลูกน้องบริวารถ้าเราเป็นเจ้านายเขาเราก็ต้องดูแลลูกน้องสารถุสุกติดยังไงขาดเหลือยังไงเจ็บไข่ได้ป่วยยังไงมีอะไรที่จะให้ช่วยเหลือเจือจานถ้าเรามีน้ําใจกับลูกน้องลูกน้องก็มีน้ําใจกับเจ้านายก็ต่างคนก็ต่างให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ในกลุ่มนั้นก็มีแต่ความสุขเพราะเจ้านายก็เป็นที่ยอมรับลูกน้องก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของเจ้านายสั่งการงานอะไรลงไปก็ทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความสุดจริตขาดเหลือขาดตกอะไรก็มาบอกเจ้านายเจ้านายก็ให้ความแบ่งปันโดยทา ง, ทางเป็นธรรมนี่แหละอันนี้คือทิศเบื้องต่ำเบากับเจ้านาย เทศเบื้องบนสมณะพราหม์สมณะพราหมณ์ก็คืออย่างนักพจนักบวชอย่างที่หลวงพ่อนจะจัดว่าเป็นสมณะพราหมณ์ต้องเข้าไปหาสมณะพราหมณ์สมณะพราหม์จะได้แนะนําสั่งสอนว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกอันนั้นควรไม่ควรอันนั้นเป็นศีลอันนั้นเป็นธรรมสมณะพราม์ท่านจะได้แนะนําสั่งสอนไปในทางที่ถูกต้องในทางที่ที่เป็นธรรมชีวิตของพวกเราก็จะเป็นไปได้วยความเรียบร้อยราบรื่นตลอดไปไม่มีอุปสรรค อันนี้คือสัมภณะผลามเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายนะสิงค์าลมานพนะเธอต้องเคารพคารวะทิศ ท, ทั้งหกทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาที่เราอธิบายให้ฟังแล้วปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤตินตนให้สมควรควรรับทรัพย์หมอนรกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้คือทิศเบื้องหน้า ทิศเบื้องหลังสามีภรรยาควรปฏิบัติตนอย่างไรทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์พวกเราที่เป็นสิทธิ์ควรปฏิบัติตนอย่างไรทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายเรามีหมูมีเพื่อนมีมิตรมีสหายควรปฏิบัติตนอย่างไรทิศเบื้องต่ําบ่าวคือคนรับใช้คนงานที่เราเป็นเจ้านายควรปฏิบัติตนอย่างไรกับพวกน้องบริวาลเหล่านั้นทิศเบื้องบนสัมภน а พราหม姆เราควรปฏิบัติตนอย่างไรกับสัมพ на พราหมณ์ที่ เข้าไปหาท่านจะได้นำสั่งสอนพวกเราให้รู้จักสิ่งที่ควรไม่ควรอย่างไรนี่แหละสิงหาลมานพถ้าเธอปฏิบัติได้อย่างที่เราบอกกล่าวนี้ชีวิตทั้งชีวิตของเธอจะเป็นไปได้วยความเรียบร้อยราบรื่นตลอดไปจะมีแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมนี่แหละพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนสิงหาลมานพถ้าพวกเรานำมา พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายได้นำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนสิงคาลามานพนะนำมาปัดฝนหรือนำมาปฏิบัติหรือนำมาเป็นกระจกเงาสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อก็คิดว่าจะเกิดประโยชน์กับพวกเราท่านทั้งหลายไม่มากก็น้อยจะว่ามากทีเดียวละ่ะชีวิตทั้งชีวิตของพวกเราก็จะราบรื่น การปฏิบัติต่อคนทั้งหกประเภทนี้ปฏิบัติตนอย่างไรถ้าว่าพวกเราทำได้อย่างนี้มีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวฮะเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะสัตยาติโยมลูกหลานทุกคนนะมีท่านคุณโยมผู้การที่ได้มาเป็นประธานในวันนี้ด้พาลูกพาหลานเข้ามาสู่วัดว า, าศาสนาอขอให้พวกลูกหลานทั้งหลาย เป็นทหารที่แท้จริงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดที่หลวงพ่อไปฉันอยู่ที่กรมช่างทหารอากาศที่บางซื่อมีท่านมีผู้ใหญ่เข้ามาวันนั้นหลวงพ่อว่าทหารคือทหารทหารเป็นรั้วของชาติทหารต้องเป็นหลักทหารต้องปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองทหารคือชาติต้องรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเป็นมาอย่างไร พวกเราอย่าไปวันไหวไกวแหว่งกับเรื่อง ต, งต่างๆที่มันเกิดขึ้นทหารคือทหารยืนนิ่งเหมือนกับเสาเขื่อนหรือเสาหลักของประเทศชาติเหมือนเสาหินอย่าไปวันไหวไกวแหว่งอย่าไปโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังไม่ถูกนะทหารหลวงพ่อบอกอย่างนั้นให้พวกเรานึกดูสิว่าประเทศไทยชาติไทยขอ ง, ของเราเนี่เป็นมาได้อย่างไรมาตั้งแต่พ่อคุณศีอินทร athi พ่อคุณลามคำแหงกรุงศรีอยุธยา แต่ทฤษยังไงก็เกิดฉึกสงครามจนมาถึงกุงรัตนโกศิทล์มาถึงกุงรัตนโกสินล์ G C. นี้ก็เถอะพวกเราเนืกอตู้ซี่ประวัติศาสตร์เป็นมาอย่างไรประเทศรอบบ้านของเราเป็นยังไงประเทศลาวเป็นยังไงเป็นเมืองขึ้นของใครเวียดนามเป็นเมืองขึ้นของใครเขมรเป็นเมืองขึ้นของใครพม่าเป็นเมืองขึ้นของใครอินโดมาเลสิงคโปร์ฟิลิปปินส์รอบบ้านของเราเป็นเมืองขึ้นของใคร ทำไมเมืองไทยไม่เป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นเขาเพราะอะไรถ้าพวกลูกหลานคณะสัายาติโยมดูประวัติศาสตร์พวกเราคงจะรู้ได้ว่ารัชกาลที่ห้าเป็นผู้มีปีชาสามารถเฉเลียวฉลาดมากเอาประเทศชาติให้พ้นจากปากเ ย, ยวปา ก, กาเพราะว่าประเทศไทยสมัยนั้นฝรั่งเศสกับอังกฤษเขาแบ่งกันแล้วแบ่งแผนที่กันแล้ว อ, อ, อังกฤษจะแบ่งแม่น้าเจ้าพยา ปาทางนะอังกฤษจะปกครองฝั่งนี้ฝรั่งเศสเขาจะเอาเนี่ยนะรัชการที่ห้าจะทุกข์ขนาดไหนในยุคสมัยนั้นด้วิ่งไปหาเยอรมันวิ่งไปหารัเสเซียขอให้ปก ป, ป้องประเทศชา ต, ปชาติประเทศชาติจึงได้พ้นปากเกี่ยวปากกามาสมัยนั้นจนมาถึงบัดนี้พวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่ในประเทศชาติเป็นอิสระ ไม่เป็นเมืองขึ้นของใครแต่คนในชาติของเรามาถึงยุคนี้สมัยนี้มักใหญ่ไฟสูงทะเลาะบอกแว้งกันจนถึงเนี่ยอีกไม่กี่ปีอีกปีสองปีข้างหน้าจะเข้าประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยถ้าว่าประเทศไทยเป็นอิสระเป็นเอกราชมาไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครแล้วพอเข้าประชาคมอาเซียนประเทศไทยเดินตามหลังขเขมร เดินตามหลังมาเลเดินตามหลังสิงคโปร์เดินตามหลังอินโดหลวงพ่อว่าหน้าอับอายขายหน้าอย่างมากเพราะเหตุไรเพราะเราเป็นอิสระเป็นประเทศเอกราชมาตั้งนมนานพอมาถึงจุดนี้แล้วพวกเราเดินตามหลังเขาเ อ, อย่างเมื่อกี้นี่หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็ยังโอ้โหอุดสูงเพราะเหตุไรพ่อว่าเขาบอกว่าประเทศไทย ในประชาคมอาเซียนมีอยู่1ิประเทศประเทศไทยเนี่ยการศึกษาตกเป็นอันดับ8แปลว่าที่หนึ่งที่สองจนจนถึงอันดับ8ปลงพ่อโอ้โหทำไมถึงขนาดนั้นมันน่าอับอายจริงๆสรุปแล้วก็คือผู้ใหญ่ไม่เป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่เป็นผู้น้อยตั้งที่พวกเราได้รับการศึกษามาอย่างดีนับรู้สิปริญาตรีโทเอกในประเทศไทยเงินแต่ละปีเนี่ย เอาไปเรียนต่างประเทศเป็นมีเท่าไหร่มากมายมหาสารผอฟิสเซอร์บางผู้ชํานาญการบ้างมีครบถ้วนบริบูรณ์แต่ทําไมไม่เอาคุณงามความดีไม่เอาศีลธรรมจริยธรรมเอามารยาทที่ดีผิดถูกไม่รู้เหรอใหญ่ด้วยกันทุกคนแล้วอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรไม่รู้เหรออันนี้น่าจะพวกเราน่าจะถามกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทางนี้ทั้งนั้น ก็เป็นแนวความคิดอย่างหนึง่งแล้วก็เห็นนำไปคิดดูที่ว่าถ้าว่าพวกเราลดทิฐิมานะลงต่างคนก็ต่างยอมรับกันแล้วก็จะไปใช้ทิฐิมานะดันูุลังอย่างเดียวเพราะประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดประเทศชาติเป็นของรวมภาพรวมแต่ว่าเราคนใดคนหนึ่งมันแพ้แต่ประเทศชาติจะแพ้ไปด้วยมันยังไง ประเทศถ้าชาติจิบหายนะเท่าคนในชาติยังทะเลาะเบาะแวงกันพัฒนาไม่ไปล่ะอยู่กับที่เลยเพ้อเพ้อถอยหลังอีกต่างหากเขาที่เป็นเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังเขาแซงหน้าเขาไปได้อย่างสิงคโปร์มาเลอย่างเนี้ยก็น่าอับอายขายหน้าไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆคนลูกหลานทุกคนที่เป็นคนในชาติอันนี้พู้หลงพ่อพูดใน ฐานะพระป่าพระดงอยู่ในป่าดงพงไพรตัวหลวงพ่อก็มีแนวความคิดเหมือนกันพราะเป็นห่วงประเทศชาติเหมือนกันจะทํายังไงจึงจะทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญหลุดหน้าเป็นผู้นําเขาไปได้อย่างหลวงพ่ออยู่ในป่าเหมือนกันหลวงพ่อก็ไม่ได้นิ่งดูได้หลวงพ่อมุ่นไปสร้างโรงพยาบาลบัง่งเครื่องมือแพทย์บัง่งโรงเรียนบัง่งไม่รู้กี่แห่งกีห่หน หลวงพ่อได้ช่วยชงข้ออนุข้อทั้งวัดวาศาสนาเองหลวงพ่อก็ไม่ได้ขาดตกพยายามทำให้ดีที่สุดอย่างที่โรงพยาบาลศูนย์อุดร อ, อย่างนี้หลวงพ่อไปสร้างตึกหนีไฟที่หลังตึกหลวงตามหาบวัวเนี่ยอาคารที่ติดถนนน่ตึกหลวงตาน่ที่หลังติดหลังไปนั่นน่ะตึกหนีไฟหลวงพ่อไปสร้างตึกสิบชั้นหลังนั้นน่ะงบประมาณ80กว่าล้านอีกไม่นานกนะ็ หลวงพ่อจะได้เปิดเนี่ยเปิดเดือนตุลาเนี่ยไม่ทันนะก็ค ง, งจะนู่นละออกพรรษากฐินผ่านไปแล้วละ่ะหลวงพ่อจึงจะไปเปิดเดี๋ยวนี้ทางว่าหนีไฟคำว่าหนีไฟคํานี้ค่อยๆถ้ า, าไฟไหม้ตึกหลวงตาก็จะหนีมาตึกหลังนี้ทําสะพานเชื่อมมาเจ็ดสะพานแล้วก็เป็นที่จอดรถทั้งหมดได้ประมาณเจ็ดร้อยคันตึกหลังนี้นะ่ะถ้าว่าจอดแบบ ใ ช, ใช้เกียร์ว่างปิดท้ายนะได้เจ็ดร้อยคันถ้าจอดธรรมดานี่ประมาณหกร้อยคันนะทีก่กะกะกันเอาไว้เนี่แหละหลวงพ่อไม่ได้นิ่งดูได้แต่ส่วนเครื่องมือแพทย์หลวงพ่อก็ได้ช่วยมากอย่างคนไหนมาก็ตามจะทายญาติโยมมาเกี่ยวข้องหลวงพ่อก็เออผมจะให้หลวงผมช่วยอะไรครับหลวงพ่อหลวงพ่อเออถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ช่วยนั้นช่วยนี่หลวงพ่อก็จะบอก เพราะเราจะต้องเวลาเขาปรวาณาหลวงพ่อก็ดูซะก่อนเออมันเป็นไปได้ไหม เ, เขาล่ารวยเพียงพอไหมนี่แหละอย่างที่เนี่ยญาติโยมหมอที่มาบวชที่วัดหลวงพ่อหน้าแรงเนี่ยจะให้ผมพ่ อ, จ ะ, พอจะให้ผมช่วยอะไรครับหลวงพ่อเออไปดูโรงพยาบาลนายูงหนยสิเออ mm hmm. เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเข้าขาดไปดูดูก็ได้ท่านก็ไปดูไปดูก็ไปเห็นเครื่อง X ray. เอ็กซเรย์เออ เอกซเรย์ ray, โรงพยาบาลนาะยูพ่อถ่ายขึ้นมาดำเปืเอ้อจนมองไม่เห็นฟิล์มเลยโอ้อย่างนี้เขาใช้ได้อย่างไงน่าหน่าสิจากนั้นท่านก็นซื้อเครื่องมาให้สล้านกว่าเครื่องเอกซเรย์ ray, นี่แหละหลวงพ่อเองไม่ได้นิ่งดูได้สิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อวัดวาศาสนาต่อพี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาติโยมหลวงพ่อจะมองมองมอ ง, มองให้เกิดประโยชน์ ต่อชาติบ้านเมืองอยูอ่เสมอเชิงเครื่องไม้เครื่องมือโตอื่นก็มีเหมือนกันโรงพยาบาลศีนะครินขอนแกนนะ่นหลวงพ่อยังเป็นประธานมูลนิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นอีกต่างหากนะนั่นแหละถ้าอยู่ไกลๆอย่างนี้พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายคงจะคิดว่าโอ้หลวงพ่อนี่ได้ช่วยเหลืออะไรต่อชุมชนสังคมบ้างแต่ถ้าจะให้หลวงพ่อที่บายให้ฟังเนี่ยวันนี้คงจะใช้เวลานา น, านทีเดียวนะ อย่างโรงไปยโรงเรียนท่าบอเนี่ยหลวงพ่อไปตึกไปสร้างให้อํานวยการสร้างให้ตึก3ชั้นโรงเรียนท่าบ่อโรงเรียนน้ำโสมก็นสองชั้นหลังสักหลังละสาชั้นเหมือนกัน15ห้องเรียนโรงเรียนท่าโสมโรงเรียนนางวัวและก็อำเภอเชียงคานหลังหนึ่งอําเภอจังหวัดเลยหลังหนึ่งอีกทางเข้าไปเนี่ยอำเภอเอราวัตร อำเภอเอาเราวัณในหลังหนึ่งนี่แหละหลวงพ่อเองจังคําที่้มุกดาหารหลวงพ่อก็ได้ไปสร้างอีกเหมือนกันหลายหลังที่นายุ่งบรรณาคําน้อยหลวงพ่อก็สร้างอีกเนะีเพราะฉะนั้นอาคารเรียนหลวงพ่อก็ไม่ได้มองข้ามเพื่อลูกเพื่อหลานเพราะฉะนั้นสาธารณประโยชน์เนี่ยหลวงพ่อไม่ได้มองข้ามนะคณะศรัทธาญาติโยมที่มานั่งฟังที่หลวงพ่อพูดเนี่ยส่วนวัดวาศาสนาหลวงพ่อก็ได้ช่วย ที่จะถูกปัจจัยศรัทธาญาติโยมได้มาลงพ่อแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งหน้าแบ่งหลังแบ่งสรุปแล้วก็คือแบ่งเฉลือเจือจานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมตอ่อพระพุทธศ า, าสนานี่แหละอันนี้ก็คืออติเลกลาบได้มาโดยชอบธรรมแล้วก็แบ่งปันให้กับกลุ่มหน่วยงานที่จะเกิดประโยชน์ต่อชวนรวมนะการ บอกกล่าวแนะนำวันนี้ก็คิดว่าจะพูดสั้นๆนะก็พูดเสียยืดยาวเออขอจบเพียงเท่านี้นะเนอะ